เพิ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีเรามาฝึกผลความตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรทำ ก็ราส่วนมากคนเรามันตั้งใจไม่ได้คำว่าตั้งใจในที่นี้หมายความว่าเราไม่วันไหวต่อความคิดเวลานี่เป็นเวลาหยุดคิดก็หยุดจริงๆตั้งใจหยุดลงไปนี่คำว่าตั้งใจถึงเวลาคิดก็จะค่อยคิดมัน ถึงเวลาสงบก็ตั้งใจสงบมาอ น, นี้ใจมันจะตั้งได้ก็อาศัยสติสติควบคุมมันถึงค่อยตั้งได้ถ้าสติอ่อนแอมันก็ตั้งจิตนี่ไม่ได้เลยลองสังเกตดูตัวเองก็ได้ทุกคนต้องรู้เรื่องของตัวเองได้เลย ถ้าช่างสังเกตนะอะไปให้คนอื่นรู้ให้ต้องตัวเองรู้เรื่องของตัวเองความประสงค์ของพระพุทธศาสนามีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำความเพียร น, นั่นแ่ะ ก็เพื่อที่จะให้มันรู้เรื่องของตนด้วยตนเองนี่แหละความมุ่งหมายนะฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลคนงามความดีเหตุนั้นท่านจึงทาความดีได้มากมากนี่พูดถึงความตั้งใจอันนี้นะจึงว่ามันสำคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละความตั้งใจเนี่ย ดันงนั้นการที่เรามาชุมนุมกันในศาลากา ร, ปรเปรียนนี่แล้วก็เมื่อเพื่อมาฝึกความตั้งใจดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละในว่าตั้งใจทําความดีเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างเนี้ยมันเป็นการทําความดีอย่างสูงอไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องต่ํานะ ก็ส่วนมากท่านที่ได้บรรลุมรคนธรรมวิเศษเท่ากับบรรลุได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยส่วนหลายนะส่วนน้อยนั้นได้บรรลุมรด้วยอิริยะบทอื่นส่วนหลายได้บรรลุมรด้วยอิริยาบท น, น, นั่งสมาธิภาวนาให้เข้าใจ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างอขาองค์สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะนั่งขัดสมาธิอยู่บนบรรลังนั่งขัดสมาดเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่น ไม่ปล่อยให้ความวัวมันเข้าครอบงามจิตใจและร่างกายนี่อิริยบทนี้นะสำคัญอะ่ะเป็นอิริยบทที่แสดงถึงความสงบกายแต่บัดนี้ยังใจเมื่อสงบกายได้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะได้ แต่ล่อมจิตใจนี่ให้เข้าถึงความสงบได้ถ้ากายยังลุกรี่รลุกรนอยู่อย่างนี้ใจมันก็ตั้งไม่ได้เลยหนือว่าร่างกายถ้าถูกความงวงเหงาเข้าครอบงำแล้วจิตก็ตั้งไม่ได้อ่อนพับไปเลยไม่ใช่ว่าเป็นสมาธินะให้เข้าใจนะ คนมานั่งหลับไม่มีสติอะไรอยู่อย่างนั้นจะว่าตนจิตใจตนไม่ฟุ้งซ่านแน่วแน่ดีอย่างนั้นแล้วก็พอใจกับความง่วงนั้นนั่งสมาธิเวลาใดก็ปล่อยให้มันง่วงเตื่อไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรอันนั้นนะให้เข้าใจไม่ใช่เป็นบุญกุศลอะไรเลยมันก็ได้แต่ ได้ได้แต่ความม้วงความเสอือความไม่มีปัญญา เ, ออเท่านั้นแหละบุคคลจะมีปัญญาได้มันต้องใจตั้งมั่นแน่วแน่รู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถ ท, ทุกระยะนี่คนที่มีปัญญานะเพราะว่าเกรียมเตรียมตัวรับรู้เหตุต่างๆที่ เกิดขึ้นในภายนอกก็ดีภายในก็ดีเกรียมตัวรับกับเหตุต่างๆอยู่เสมอเมื่อเหตุใดมาถึงเข้าเราจะทำความรู้เท่าเหตุนั้นเหตุใดที่ควรละก็จะละจะไม่ยึดถือมันไว้นี่ผู้เกรียมตัวนะมันก็ต้องเกรียมตัวอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าในโลกอันนี้นะมันไม่อยู่นิ่งได้ ก็ยังว่าโลกไม่เที่ยงมันอยู่นิ่งไม่ได้มันวนไปวนมากระทบกระทั่งกันอยู่อย่างนั้นตรงพี่ณาดูให้มันเห็นเช่นตามันก็ปวนไปกระทบกับรูปหูมันก็วนไปกระทบกับเสียงจมูกมันก็โวนไปกระทบกับกลิน่นเหม็นกลิ่นหอม ลิ้นมันก็วนไปกระทบกับรสอร่อยหรือไม่อร่อยกายมันก็วนไปกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ลองลองสังเกตดูสิมันมีแต่ความกระทบกระเทือนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งถึงนอนหลับไปอย่างนี้มันจิตใจเลยมันไม่หลับนะมันยังฝันไปเนี่ยนะถ้าหัวใจมันสงบนิ่งอยู่ในเวลานอนหลับอยู่นั้นมันไม่ฝันเลยอ่ะที่มันฝันไปเพราะมันคิดอ่ะแต่มันคิดไปโดยไม่มีสติ เพราะร่างกายมันมันหยุดพักแล้วดังนั้นนะ่ะจึงปรากฏว่าบางทีฝันไปนั่นตื่นขึ้นมาแล้วมาวินิจฉัยดูความฝันตัวเองนี่นึกเสียใจบ้างนึกน้อยใจว่าเมื่อไปพบคนเนจะ้าน่ะมันน่าจะถามเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่ถามอย่างนี้แหละ เมื่อไปเจออย่างนั้นแล้วควรจะทําอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ทําไม่พูดมันทำเสเซิร์นั่นแสดงว่ามันไม่มีสติเรื่องมันน่ะถ้ามันมีสติมันก็ต้องถามกันแหละเรื่องใดที่ควรจะถามกันมันก็ถามกันเหมือนยังเหมือนยังเราไม่ไม่หลับนี่ เราพบกันเข้าเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ควรจะถามกันเราก็ถามกันได้เลยเพราะมันมีสติมันลึกได้ดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าจิตนี่มันจะหลับกับร่างกายเนอะคนผู้ไม่มีสมาธิแล้วมันหลับไม่ได้จิตเนี่ยจิตนี่มันจะหลับได้ก็ต่อเมื่อมันมีสมาธิเท่านั้นแหละมันไม่มีอารมณ์มารบกวน มันก็หยุดนิ่งเมื่อหลับไปก็ไม่ฝันอะไรเลยตื่นขึ้นมาก็สบายเบิกบานใจไม่มีกังวลเดือดร้อนอะไรคนมีจิตเป็นสมาธิดังนั้นแหละการหัดทำจิตให้สงบเนี่ยมันจึงเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขทางใจในขั้นหนึ่งให้เข้าใจ ผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วนะ่ะถ้าไม่มาฝึกจิตนี้ให้สงบแล้วไม่ได้พบหรอกจะไปเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันจะอยู่ที่อื่นไม่มี้มันจะอยู่ที่เงินทองลาบยศสนเสริญอะไรพวกนั้นไม่มีเพราะเพราะของเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยง มันมีได้มันก็มีได้ทั่วขราวเท่านั้นไปไปเดียวมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุคคลได้มาฝึ ก, กจิตของตัวเองเนี่ยให้มันส ง, งบระ ง, งับจากกิเลสป่าประธรรมต่างๆเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาท ต, ตามรักษากจิตของตนอยู่เสมอถึงเวลาที่ไม่ใช่นั่งสมาธิภาวนาก็ตาม ตนก็มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นต่อบุญต่อบุญสนมาแล้วนั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปรักษาความรู้ความเห็นที่มันเกิดขึ้นที่ตนได้ทําให้เกิดให้มีขึ้นเช่นความเห็นแจ้งในขันห่าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นะ ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันสม่ำเสมอไปอ ม, ม, มันมันจึงค่อยจะก้าวหน้าไปได้นี้ความรู้ความเห็นอันนี้ไม่ใช่ว่ามันมันหยุดหยุบมันหยุดอยูอยอ่แค่เท่าที่มันรู้มันเห็นมาเท่านั้นไม่ใช่นะเราเพ่งพิจารณาไปเท่าไหดมันยิ่งรู้แจ้งไปเท่านั้น เมื่อมันรู้แจ้งไปเท่าไรความสงสัยลังเลต่างๆก็หายไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องมัน่ะถ้าหาว่าบุคคลไม่ทาความเพียรเพ่งพินิดแล้วมันรู้เท่าไรเห็นเท่าไรมันก็มันก็รู้ก็เห็นอยู่เท่านั้นน่ะมันไม่ก้าวหน้าไปได้เลยมันละกิเลสมาได้เท่าไรก็ได้อยู่เท่านั้น ส่วนกิเลสที่ยังเหลืออยู่มันก็ทําให้วาวางไปไม่ได้เพราะว่าความรู้มันไม่ยิ่งกลัวกิเลสเรื่องมันนะเหมือนยาบําบัดโรคของคนเรานี่แหละเมื่อยามันอ่อนโรคมันมีกําลังกล้ากลัวอย่างนี้นะแม้จะรับทานเข้าไปมากมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าผู้ปรุงยานะี่ยมัน มันประกอบตัวยาอ่อนไปมันเลยสู้กำลังของโรคไม่ได้โรคก็ไม่หายทันใดเมื่อคนมาประกอบสติสัมปัญญะนี่ให้อ่อนแอลงไปอย่างนี้นะอ่าจิตใจมันก็อ่อนแอไปตามกันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ สมาธิก็ตั้งลงไม่ได้ก็ฉันนั่นแหละดัง น, น, นั้นให้พากันเข้าใจเราต้องตั้งใจลงจริงๆ ม, มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ ที่เราจะมาเดาเอาไม่ใช่เรื่องเดาเอาเป็นเรื่องที่เราทำใจให้สงบลงไปเมืม่อทำใจให้สงบลงไปแล้วจิตนี่มันก็ฟองใสเรื่องมันนั่นแหละเมื่อมันฟองใสแล้วมันก็รู้อะไรมันก็รู้ชัดหมายเขาว่าอย่างนั้นเห็นอะไรก็เห็นแจ้ง เหมือนอย่างตาของเราเนี่ยมันไม่มัวอย่างนี้แหละมันไม่มีฝ้าบังตาเราประสงค์จะดูอะไรมองดูนะมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าคลาวใดหากมีฝ้าบังตาเข้าไปแล้วก็ตานั้นมัวๆเรามองอะไรก็ไม่ชัดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงพากัน ตั้งใจให้แนวแน่เพ่งพินิษอยู่ภายในเมื่อใจมันสงบลงไปพอสมควรนะกับเพ่งพินิเยพินิษว่านามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงจริงเหรอจริงไม่เที่ยงมันมีลักษณะอย่างไรอันมันไม่เที่ยงแน่นะ ก็มันมีลักษณะไม่เป็นปกติอยู่ได้ตลอดเวลานั่นแหละคือความไม่เที่ยงของขันห้านี่าบางทีก็ร้อนมาสัากหน่อยร้อนหายไปเดียวก็หนาวมาก็เป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายอันนี้ ปเดี๋ยวเดียวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้ดเดี๋ยวก็หิวข้าวดเดี๋ยวก็หายกระหายน้ำเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระสักหน่อยก็ปวดปัสสาวะเดี๋ยวก็อยากหลับอยากนอน นั่งนานไปเดี๋ยวก็อยากจะไปเดินเดินนานไปก็อยากนั่งลองสังเกตดูนี่แหละความไม่เที่ยงของขันห้ามันแสดงให้เห็นนะ่แต่คนเรานั้นมันไม่ได้พิจารณานึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอมันเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นพิจารณา ท้าไม่พิจารณาอย่างนี้นะ่ะมันจะเห็นความไม่เที่ยงเหรอมันก็เห็นว่าชีวิตนี่อยู่ยั่งยืนนานอะจะไม่ตายง่ายมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นแ่แบบนี้เมื่อมันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นก็มีแต่เพลิดเพลินมัวเมาอิตเนี่ยนึกว่าตนไม่ตายง่ายอแต่ถ้าหากว่ามาเจริญสมถะ อุปทานาให้เกิดขึ้นอย่างว่านี่นะมาสังเกตดูความเคลื่อนไหวของอัตภาพร่างกายนี่มันก็จะเห็นว่าร้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยเอ้าวถ้าก็มันไม่เป็นอย่างนี้นะ่มันก็ไม่แตกไม่ดับนั่นพอสังเกตดูสิเหตุที่มันจะแตกจะดับก็เพราะมันค่อยสุด ไปโทมไปเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยไปร่างกายอันนี้ดังนั้นนหละเมื่อมันเสื่อมไปสุดขีดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยอาหารเคยมีรสอร่อยก็จืดชืดไปหมดนั่นแ่ละมันใกล้าอาวสานแล้วนอนเคยหลับสนิทมาแต่ก่อนมันก็นอนไม่หลับ อย่างนี้เลยการลุกเดินเหินไปมาทางไหนนี่ก็คล่องแค่บเมื่อเวลายัางปกติอยู่นู่นนะเมื่อเวลามันชุดโทมม า, มากเข้าไปแล้วลุกก็ยากนั่งก็ยากอาวัยวะส่วนสำคัญ ต, ต่างๆก็ร่อยหลออ่อนแอลงอมันไม่ไม่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะ เนี่ยอัตภาพร่างกายนี่มันเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นน่ะมันมันร่อยหรอลงไปอือคือแม้ความเหตุปัจจัยที่มาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันเนี้ยมันมันเสื่อมสมรรถภาพมันลงไปหรือมันมันค่อยจะหมดอายุมันลงไปโดยลำดับ เหตุนั้นร่างกายนี้มันจึงทรุดโทรมลงไปถ้าเมื่อเหตุปัจจัยคือบุญกรรมที่ตนทํามาจากก่อนนุ่นมันยังมีกําลังเต็มที่อยู่อย่างเนี้ยมันก็ทําให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยู่แม้จะอายุมากมันก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปมาทางไหนก็สะดวกคล่องแคล่ว ตาก็ยังใสแจ๋วหูก็ได้ยินอะไรชัดเจน อ, อันนั้นแสดงว่าบุญกรรมมันยังมีกำลังเต็มอัดกลาอยู่มันจึงบำรุงพยุงอัตภาพร่างกายอันนี้ให้แข็งแรงอยู่ได้ทีนี้เมื่อมันร่อยหรอลงไปแล้วก็เอาแหละเหมือนอย่างตะเกียงโคมไฟ อาศัยไส้อาศัยน้ำมันแลื้อจุดไฟเข้ามันก็ลุกโพรงเมื่อไส้แล้วนะ้ำมันมันยังบริบูรณ์อยู่นะั้นแสงตะเกียงของไฟนะ้นมันก็สว่างเป็นปกติเลยมันเคยสว่างมากเท่าใดมันก็สว่างมากอยู่เพียงนั้นมันเคยสว่างน้อยเพียงใดมันก็สว่างน้อยอยู่อย่างนั้น ทีนี้เมื่อไฟมันกินน้ํามันไหม้น้ํามันเข้าไปน้ํามันก็ค่อยล้อยหลอไปล้อยหล่อไปเมื่อมันล้อยหลอลงไปมากเข้าไปแล้วแสงไฟเนี่ยก็มีลงดีลงมันไม่สว่างตามเหมือนเดิมแล้วว่ัเนี้อพอน้ำมันหมดลงไปไฟก็ดับวูบลงไปอันนี้ล่ะฉันใดชีวิตของคนเรา ก็เปรียบเหมือนตะเกียงและโคมไฟนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีท่านผู้เจริญวิปัสสนาท่านพิจารณาเบื้องต้นนี้ก็เห็นแต่ความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของอัตภาพร่างกายสังขารอันนี้นี่ท่านที่เรียกว่าอุทยัยพยายญชนะ การเพ่งพิจารณาหเห็นความเกิดความดับแห่งสังขาร น, นามรูปอันนี้เป็นอารมณ์นะนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนานะให้เข้าใจวันนี้เมื่อพิจารณาแห่งเข้าไปมองว่าเข้าไปองานความรู้อันนี้มันแก่กล้าขึ้นไปแล้วมันเห็นตั้งแต่สังขาร น, นามรูปอันนี้ดับไปดับไปอย่างเดียว ไม่ไม่เห็นเกิดแอมันเห็นแต่ปรากฏแต่ดับไปอยู่อย่างนั้นเนือนมันเรียกว่ามันเห็นถี่เข้ามันเห็นโดยสรุปโดยสรุปเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็มีแต่ดับอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างอันที่มันเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้นะอันมันจะตั้งยั่งยืนอยู่ตลอดไปนะไม่ได้ไม่มีนี่เรียกว่าพเพ่งพิจารณาโดยสรุป ของสังขารอันนี้นนยมีสดับไปดับไปอยู่นั่นเมื่อปัญญามันเห็นชัดแจมแจ้งอันนี้จิตมันก็เห็นตามปัญญาแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอก็จะมาให้มันเบื่อหน่ายอย่างไรแล้วมันมีแต่ดับอย่างเดียวความประสงค์ของจิตที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องการยังให้ขันห้า น, นี่ เที่ยงยั่งยืนไปตลอดใดนูนะ่นไม่อยากให้มันวิบัติแต่ปวนไม่อยากให้มันแตกมันดับเลยอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่ฟังนะมันก็สุดโทมไปอยู่อย่างนั้นนะมันจะไม่สุดโทมยังไงแล้วมันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแหละผู้มาเจริญวิปัสนาปัญญาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ก็จะเกิดนิพพิทาโกรมเบรนายเมื่อเบอรนายมันก็ต้องหาทางออกแบบ น, นี้นะอา้าวใครเบรนายแบบ น, นี้ก็จิตและเบรนายทําไมจึงเบรนายเบรนายเพราะได้แต่สัมผัสแต่ของไม่เที่ยง ธรรมดา ม, มันไม่เที่ยงแล้วมันก็ย่อมแปรปรวนไปไม่คงที่อยู่ได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเดี๋ยวก็วร้อนเดี๋ยวก็วหนาวเป็นตน้นนี่ผู้มีปัญญาท่านจึงเบือ่อนายเนี่ยเพราะว่ามันไม่คงที่อยู่ได้เลยสัมผัสอันเนี้ยเมื่อเบือ่อนายมันก็หาทางพ้น เพ่งพิจารณาทำอย่างไรหนอจึงจะพ้นจากกรูปจากนาอันนี้ไปได้นี่วิตกวิจารณ์เข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นช่องทางอ่ะอืมมันจะพ้นไปได้ไม่ใช่ว่าทรงใจหนีออกจากร่างอันนี้ไปอยู่ที่อื่นโน้แล้วมันพ้นได้ไม่หมายอย่างนั้นไม่ไม่มีทางพ้นอ่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ทรงจิตนี้ออกจากขันหานี้ไปอย่างนั้นนะไม่มีก็องค์เจ้าไม่ได้สอนเลยเพระองค์สอนว่าเมื่อเห็นว่าสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อก็สิ่งใดมันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้น่ะสิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตา ไม่ใช่ของเราอ่ะถ้าเป็นของเรามันก็ถงบังคับได้สิมอให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มาพิจารณาอย่างนี้มาเห็นแจ้งความจริงของขันห้ายอย่างนี้แล้วมันที่ไปถือไว้ทำไมวะเนี่ยมันก็โปรงวางอ่ะอันนี้ละเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เป็นทางหลุดทางพ้นจากของไม่เที่ยงเหล่านี้ ก็มีดต่วางจิตเป็นอุเบกขาลงต่อขันห้าอันนี้นะพูดอย่างสั้นๆนะขันห้านี่มันเจริญไปก็ไม่ยินดีไม่เพิดเพลินเมื่อขันห้านี่มันวิบัติแปรปรนไปก็ไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตกอกตกใจกับความแปรโปรนของขันห้านี่จึงเรียกว่า จิตวางอเบกขาลงไปที่ท่านเรียกว่าสังขารุกเปกขาญาณแปลว่าวางใจเป็นกลางเฉยต่อสังขารทั้งพวงขันห้านี่กรรวมเรียกว่าสังขารเหมือนกันเพราะว่าสังขาร น, นี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานั่นเมื่อสิ่งใดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา ท่านก็รวมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นเลยแต่มาสมมติบัญยัตแตกต่างกันไปเท่านั้นดอกเรื่องมันอนะ่ะเช่นอย่างว่าสมมติว่าคนอย่างนี้นะเนี่อันคนนี่บุญกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เลยมานนี้เอา้าสมมติว่าสัตว์สิริฉานอย่างนี้นะนั่นสมมติ อันสัตว์ไร่ฉานนั่นบาปกรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าสัต์ไร่ฉานนี่มันก็อยู่ในอาใบภูมิทั้งสี่นั่นแหละอาใบภูมิทั้งสี่นั้นเป็นภูมิหรือเป็นสถานที่เกิดของบุคคลผู้มีบาปอย่างนี้นะอันนี้แหละที่ท่านจำแนกออกไปอันสังขาร น, นี่นะ เมื่อว่าตามหัวข้อแล้วก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารสังขารที่บุญปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละอะปุญญาพิสังขารสังขารที่บาปมันแต่งขึ้นสัตว์รกพวกเปรตพวกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เน่ะบาปมันปรุงแต่งมันตกแต่งขึ้นทำให้ สัตว์ผู้อยู่ในภูมิทั้งสี่นี่ได้รับทุกทนทรมานในเรื่องของบาปมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่ยให้เพิ่งพากันเข้าใจ มนุษย์เทวดาอินพรหมต่างๆเหล่านี้นะ อ, นอันเทวดาอินพรหมนี่บุญตกแต่งล้วนๆเลยแต่มนุษย์เรานี่มีทั้งบาปทั้งบุญน ะ, ะเพราะฉะนั้นแหละชีวิตมันจึงไม่แน่นอนอะไรเลยเดียวก็เป็นสุขไปชั่วระยะหนึ่งแล้วพอโนอยกลับมาเป็นทุกข์ อ, อยู่อย่างนั้นนะลองสังเกตดูเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นลูกผสมก็ได้สำหรับท่านผู้มีปัญญาท่านมาเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นแล้วท่านจึงมองเห็นอชีวิตนี่เนะี่ยเป็นสิ่งที่น่าเบื่อดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลย ได้สวยสุขไปแล้วแทนที่ว่าจะได้สวยสุขอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างนี้ไม่ไปไปนอนหนึ่งพักกลับเป็นทุกมาแล้วหาเงินหาทองได้ม า, ามีเงินมีทองมากๆเข้าไปแล้วนึกว่ามันจะหมดไม่เป็นเอาใช้ไปจ่ายไปนอหนึ่งก็ล่อยหล่อลงไปแล้วตกใจแล้วเงินทองล่อยหลอลงไปละเป็นทุกข์แล้ว อย่างนี้แหละอ่ามันมันลอยลอลงไปอย่างนั้นเรื่องว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวจริงจริงเอาไปแล้วมันก็ไม่หมดสักหน่อยมันผัดได้มาล่อใจให้ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อได้เงินทองมาดีออกดีใจอ้าวเมื่อเงินทองหมดไปก็เศร้าใจนี่แหละชีวิต ของสัตว์โลกทั้งหลายมันยักย้ายถ่ายเทผันแปรไม่คงที่ทีนี้เมื่อเมื่อตอนสุดท้ายแห่งชีวิตจริงๆแล้วนะความยินดีน้อยหนึ่งก็ไม่มีเลยแบบนี้มีแต่ความเศร้าใจเพราะรู้ว่าความตายจะมาถึงตนแล้วบัดนี้ก็บุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงนะ ก็เสียดายอะไรไม่อยากตายไม่อยากพัดพลากจากลูกจากเมียจากผัวจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเป็นห่วงหลายมันก็มีแต่น้ำตาไหลอ ย, อยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้แหละทำให้คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้ให้พึ่งเข้าใจ ทีนี้เมื่อบุคคลมาเจริญปัญญาวิปัสสนาเนาี่ยมาเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าโดยไตไตรลักษณะญาณดังกล่าวมานั่นอ่ะมันก็ปรงก็วางได้สิวะนี้ปรงวางความเสียใจความดีใจกับขันธ์ห้าอันนี้ได้นั่นเน่ยตลอดเวลาจิตนี่ก็เป็นกลางต่อขันธ์ห้านะันอยู่งั้นแม้เวลาปกติ ปิดนี่ก็เป็นกลางอยู่ได้เวลาขันห้าในวิวบัติลงก็มันก็เป็นกลางอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกอันนั้นแต่ว่าเมื่อมันวิบัติลงเนี่ยความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากความสุขสบายมันก็กลายไปเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องของขันห้าของสังขารต่างหาก เมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วจิตก็ไม่เป็นทุกข์กับขันห้าเพราะว่าเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองเห็นเป็นขั้นตอนนี่อันนี้คือขันห้าอย่างงี้นะอผู้รู้ขันห้านั้นคือจิตผู้รู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา